วันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่28่สในสายนพุทธศักราช2567นเป็นวันที่ท่านสาธุชนพุทธบริสัตว์ผู้ฝ่ายธรรมมีเวลาว่างจากภารกิจการงานต่างๆจึงได้ตั้งใจมาวัด เพื่อมาฟังเทศฟังธรรมมาศึกษาวิธีการปฏิบัติเพื่อนำพาให้จิตใจได้หลุดพ้นจากโลกแห่งการเวียนว่ายตายเกิดก็คือโลกของสังสารวัตนี้ <or> ที่เป็นที่เวียนว่ายตายเกิดของสรรโลกมาเป็นเวลาอันยาวนาน การที่จะหลุดออกจากโลกแห่งการเวียนว่ายตายเกิดไม่ได้จำเป็นที่จะต้องมีจรวจของใจซึ่งเป็นเหมือนกับจรวจของยานอวากาศเวลาที่นักวิทยาศาสตร์สร้างยานอวากาศขึ้นมาเพื่อที่จะส่งให้ออกไป จากนอกโลกเพื่อไปสำรวจดาวต่างๆที่อยู่ในอวกาศจำเป็นที่จะต้องมีจรวดที่มีกำลังผลักดันให้ยานอาวกาศได้หลุดออกจากกระแสดึงดูดของโลกแรงดึงดูดของโลกจึงจะสามารถที่จะ ออกไปในอวกาศเพื่อไปสำรวจดาวต่างๆได้ใจก็เหมือนกันใจก็เหมือนกับอยู่ในโลกของสังสารวัตรคือโลกของเวียนว่ายตายเกิดการที่จะส่งใจให้หลุดออกจากโลกแห่งสังสารวัตรโลกแห่งการเวียนว่ายตายเกิดได้ ใจจาเป็นจะต้องมีจรวดส่งให้ออกไปจรวดนี้ที่พู้เจ้าได้ส่งคน้นพบได้ส่งสร้างขึ้นมานี้เรียกว่าพลระห้าคุณธรรมห้าประการด้วยกันที่จะมีพลังที่จะผลักดันให้จิตใจได้หลุดออกจากแรงดึงดูดของสังสารวัฏ โลกแห่งการเวียนว่ายตายเกิดได้ผู้ใดถ้าสามารถสร้างพาราห้าขึ้นมาได้ก็จะสามารถที่จะส่งใจให้หลุดพ้นจากการดึงดูดของสังสารวัฏให้ไปสู่พระนิพพานได้พาระห้านี้จึงเป็นเหมือนจรวดของใจที่ผู้ที่ปรารถนา ที่จะส่งใจให้ไปสู่พระนิพพานให้หลุดออกจากโลกแห่งการเวียนว่ายตายเกิดคือสังสารวัตร<ม>จำเป็นที่จะต้องสร้างจรวจดนี้ขึ้นมามจรวจดนี้มีองค์ประกอบอยู่ห้าประการด้วย ก, กันที่เรียกว่าพระห้า<ม>ได้แก่หนึ่งศรัทธาความเชื่อในพระพุทธธรรมพระสงฆ์ 2. วิริยะความขยันหมั่นเพียรความภาคเพียรปฏิบัติ 3. ส, สติการระลึกรู้ 4. ส, สมาธิความตั้งมั่นของใจและ5คือปัญญาความฉลาดรอบรู้ในเรื่องของเหตุและผลที่ทำให้ใจยัง ติดอยู่ในการเวีนว่ตายเกิดและวิธีการที่จะทำให้ใจได้หลุดออกจากการเวียนว่ายตายเกิดได้นี่คือองค์ประกอบของจัลวดของใจที่เรียกว่าพละห้าพละห้านี้ก็มาจากอินรียห้าอินสีห้าก็มี ศรัทธาวิริยะสติสมาธิและปัญญาเหมือนกันเพียงแต่ว่าอินทรีย์นี้มีกำลังอ่อนมีกำลังไม่มากถ้าเปรียบเทียบก็เป็นเหมือนพวกเครื่องบินไอพน <c oughs> เครื่องบินที่สามารถบินเหนือท้อง <c oughs> บ, บ, บินขึ้นสู่ท้องฟ้าได้สามารถบินไปตามประเทศต่างๆได้แต่ไม่สามารถบินออกจาก โลกได้เพราะกำลังของเครื่องนั้นมีกำลังไม่มากพอที่จะส่งให้เครื่องบินนั้นบินออกจากโลกไปสู่โลกอื่นได้ถ้าต้องไปสู่โลกอื่นนี้จำเป็นต้องเพิ่มกำลังของเครื่องบินหรือของเครื่องขับดันเครื่องยนต์ที่ขับดันให้เครื่องบินหรือยานอวกาศนั้น ออกไปสู่นอกโลกได้อินทรีนี้ถือว่าเป็นเหมือนกับเป็นเหมือนกับเด็กส่วนพร ะ, ะนี่เป็นเหมือนกับผู้ใหญ่กําลังของเด็กกับกําลังของผู้ใหญ่นี้มีมากน้อยไม่เท่ากันแต่ก็ต้องพัฒนาจากการเป็นเด็กขึ้นไปสู่การเป็นผู้ใหญ่ดังนั้น ตอนนี้พวกเราก็มีอินทรีห้ากันอยู่ถึงมาวัดได้คือเรามีเรามีศัทธาความเชื่อในพระพุทธธรรมพระสงฆ์ในระดับหนึ mm ่ง hmm. แต่ยังไม่เต็มร้อยเพราะว่าเรายังไม่ได้ปฏิบัติอย่างเต็มที่เต็นกำลังที่พระพุทธเจ้าได้ทรงสอนให้ปฏิบัตินัน mm hmm. มีศรัทธาที่จะมาวัด mm hmm. บ้างบางครั้งบางเวลาเมื่อมาฟังเทศฟังธรรมมาทำบุญทำทาน <c oughs> บางครั้งก็มาอยู่ข้างวัด <c oughs> มาปฏิบัติธรรมถือศีลแป <c oughs> นั่งสมาธิ <c oughs> จเจริญปัญญา <c oughs> แต่ยังไม่ได้มาอย่างสม่ำเสมอ <c oughs> ยังไม่ได้มาอย่างต่อเนื่อง กศรัทธายัางไม่เต็มที่ยังมีศรัทธาในเรื่องอื่นอยู่ยังมีศรัทธาในเรื่องของการหาราบยศสารเสริญสุขอยู่ยังคิดว่าการหาราบยศสารเสริญสุขนี้ยังเป็นวิธีที่จะนำความสุขมาให้กับตนอยู่ยังไม่ได้เชื่อเต็มว่าการที่จะได้ความสุขอย่างเต็มที่นั้น จำเป็นที่จะต้องปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าอย่างเต็มอย่างเต็มร้อยคือจะไม่แสวงหาความสุขจากมาพยรเสารสุขจากรูปเสียงกิดลดผลเถพะเลยแต่จะมุ่งไปที่การสร้างความสุขที่เกิดจากการปฏิบัติจิตตะภาวนาเพียงอย่างเดียว นี่ ค, inside, คือระดับอินทรีย์ยังไม่ทุ่มเทให้กับการปฏิบัติธรรมอย่างเต็มที่ยังแบ่งให้กับการหาแสวงหาความสุขจากราบยศสรรเสริญ จ, จากรูปเสียงกลิ่นรสอยู่ mm hmm. การปฏิบัติจึงยังไม่มีกำลังพอที่จะส่งใจให้หลุดออกจากโลกแห่งการเวียนว่ายตายเกิดอยู่ mm hmm. ความเพียรที่จะมากับให้กับการปฏิบัติก็ยังมีไม่มากมีให้ได้บางบางครั้งบางวันบางเวลาแต่ยังไม่สามารถทุ่มเทความเพียรให้กับการปฏิบัติได้อย่างเต็มที่ทุกวันทุกเวลาตั้งแต่ตื่นจนหลับไม่ปฏิบัติอะไรนอกจากการเจริญสตินั่งสมาธิ แล้วก็จะเริญนปัญญาตามลำดับต่อไปแต่ถ้าอยากจะสร้างศรัทธาให้มีกำลังเต็มที่สิ่งที่ต้องทำก็คือจาเป็นที่จะต้องเข้าหาพระพุพะทธรธรรมหรือพระสงฆ์บ่อยๆศึกษาพระธรรมศึกษาพระธรรมคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าอยู่เรื่อยๆแล้วน้อมนำเอาไปปฏิบัติ ให้มากขึ้นไปตามลาดับเพราะเมื่อได้ศึกษาศรัทธาความเชื่อในคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าหรือของพระอริยสงสาวกก็จะมีเพิ่มมากขึ้นไปตามลาดับจะทำให้เมื่อมีศรัทธาแล้วมันกจะ็จะเกิดมีฉันทะคือความยินดียินดีที่จะปฏิบัติธรรมตามคำสอนของพระพุทธเจ้า พอเมื่อได้ศึกษาพระธรรมคําสอนแล้วจะรู้ว่าสิ่งที่เรากำลังหลงไหลกันอยู่สิ่งที่เราคิดว่าจะให้ความสุขกับเราอยู่นั้นความจริงแล้วมันเป็นสิ่งที่จะให้ความทุกข์กับเราเพียงแต่ว่ามันยังย่อไม่ถึงเวลาที่มันจะส่งความทุกข์มาให้กับเราเราก็เลยยังไปหลงกับมันอยู่ ยังหลงกับลาบยศสรรเสริญยังหลงกับความสุขทางตาหูจมูกมิ้นกายกันอยู่เพราะว่าตอนนี้เรายังมีกำลังที่จะสามารถหาลาบยศสรรเสริญหาความสุขทางตาหูจมูกมิ้นกายได้อยู่เราจึงยังมองไม่เห็นความทุกข <c> ์ <oughs> ที่จะเกิดขึ้น <c oughs> ตอนเมื่อเวลาที่ร่างกายเราเริ่มมีปัญหาเริ่มมีอาการเจ็บไข้ได้ป่วยตาม น, นั้นเราถึงจะเริ่มรู้แล้วว่าการที่เราจะหาความสุขจากลาบยศเสริญจากรูปเสียงกิจลดผลทภานี้มันจะเป็นไปได้ยากขึ้นและก็เมื่อเราไม่สามารถหาความสุขจากลาบยศเสริญสุขได้ เราก็จะเริ่มเห็นความทุกข์ของใจปรากฏขึ้นมา น, นี่ตอนนี้เรายังหลงกันอยู่แต่ถ้าเราศึกษาพระธรรมคำสอนของพระเจ้าอยู่เรื่อยๆท่านจึงทรงสอนให้เราแก้ความหลงด้วยการมันเตือนใจเราอยู่เรื่อยๆว่าเมื่อเราเกิดมาแล้วเราย่อมมีความแก่เป็นธรรมดาล่วงพ้นความแก่ไปไม่ได้ มีความเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นธรรมดาล่วงพม้นความเจ็บไข้ได้ป่วยไปไม่ได้มีความตายเป็นธรรมดาล่วงพม้นความตายไปไม่ได้มีการพลาดพลาจากสิ่งที่เรารักหรือบุคคลที่เรารักไปล่ง พ, พ้นการพลาดพลาดจากกันไปไม่ได้ น, นี่คือถ้าเราได้อยู่ใกล้พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี้เราจะได้ยินได้ฟังคําสั่งคําสอนทาเตือนใจอยู่เรื่อยๆให้เราละเลิกถึงความไม่มีความเที่ยงแท้แน่นอนของสางขาร่างกายของเราและของผูู่นและของสิ่งต่างๆเช่นรากยศสารสรนุส ข, ของเหล่านี้เป็นของที่ไม่เที่ยงแท้แน่นอน มีมาได้ก็จะมีไปได้มันดีคนดีเราก็อาจจะพัดพากจากราบยศสรเสริญจากความสุขทางตาหูจมูกเนื้องาย <c oughs> ที่เรามีกันอยู่ในขณะนี้ได้ <c oughs> ถ้าเราได้ยินถ้าเราเข้าหาพระพุทธเจ้าทำพระสงฆ์อยู่เรื่อยๆเราก็จะได้ยินคำสั่งคำสอนคำเตือนใจเหล่านี้ให้กับพวกเราได้มีสติ ให้รู้ตัวว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นอยู่ในวันนี้มันจะไม่ได้เป็นอย่างนี้ไปตลอดมันจะต้องมีการเปลี่ยนไปถ้าเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นก็ไม่เป็นปัญหาอะไรแต่มันไม่ช้าก็เร็วมันก็จะต้องเปลี่ยนไปในทางที่ไม่ดีเปลี่ยนไปในทางความแก่ ความเจ็บความตายไปในทางการทัดพภาคจากกันถ้าเราอยากจะรู้ว่าความทุกข์เหล่านี้เป็นยังไงเราก็ลองไปเยี่ยมดูคนแก่ดูคนที่เขาแก่ทำอะไรเองได้ด้วยตัวเองไม่ได้เนะี่ยมันจะมีความสุขได้อย่างไรหรือดูคนที่เจ็บไข้ได้ป่วยนอนอยู่ในเตียงโรงพยาบาลหรือไปงานศพไปดูความตาย คนที่ตายแล้วนี่จะไม่สามารถที่จะหาความสุขจากลาบยศย ส, สรเสริญจา ก, กรูปเสียงกิรลดโสดภะได้เลยอันนี้คือสิ่งที่เราจะได้ยินได้ฟังถ้าเราอยู่ใกล้กับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์จะคอยสอนเราเตือนเราไม่ให้ประมาทให้หมันพิจารณาอยู่เนืองเนือถึงความ ไม่เที่ยงแท้แน่นอนของสังขารร่างกายของราบยศสารเสรนสุข<ม>่าเป็นของชั่วคราวเป็นของที่อาจจะมีวันหมดไปหรือเปลี่ยนไปได้ทุกเวลานาที<ม><ม>อย่าให้อย่าไปหลงกับการหาความสุขทางรูปเสียงกลิ่นรสโผฏกะอยากไปหาความสุขกับราบยศสารเสรินเลย เพราะมันจะจะต้องกลายเป็นความทุกข์ขึ้นมาในวันใดวันหนึ่งในเมื่อเวลาร่างกายของเหล่านี้มันที่เป็นเครื่องมือในการใช้หาความสุขเหล่านี้จะไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเต็มที่นั่นเองนี่คือการสร้างศรัทธาขึ้นมาให้เชื่อฟังคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้า ให้เปลี่ยนวิธีการหาความสุขแทนที่จะหาความสุขจากสิ่งที่ไม่แน่นอนคือลาบยศสรรเสริญสุขทางตาหูจมูกิ้นกายให้เปลี่ยนมาหาความสุขจากการทําใจให้สงบทําใจให้ละความโลภความโกรธความหโงหยุดความโลภความโกรธความหโงหยุดความอยากต่างๆ เพราะเหตุที่พาให้ใจไม่มีความสุขเหตุที่ทำให้ใจหิวโหยรู้สึกว่าขาดนั่นขาดนี่นั่นก็เกิดจากความอยากต่างๆที่มีในใจนี้ท่านั้นเองถ้าสามารถทำใจให้หยุดความอยากได้ความอยากนั่นก็จะหยุดหายไปพอความอยากหายไปความรู้สึกที่หิวโหย ความรู้สึกที่ว้าเหวอ้างว่างเปล่าเปลี่ยวเดียวดายนี่มันจะหายไปด้วยเพราะมันมันเป็นผลที่เกิดจากความอยากข้างขึ้นมาพอความอยากหายไปความสุขใจอิ่มใจจะปรากฏขึ้นมาโดยที่ไม่ต้องมีอะไรไม่ต้องมีทรัพสมบัติข้าวของเงินทองไม่ต้องมียศตาแหน่งไม่ต้องมีการรัสษาละเสริญยยอ มาให้ความสุขไม่ต้องมีรูปเสียงจิตลดมาให้เศษก็สามารถมีความสุขได้โดยการสบจิตสกใจทําจิตใจให้สงบเมื่อเราได้ฟังถึงเรื่องของความทุกข์และเรื่องของความสุขแล้วเราจะได้เปลี่ยนวิธีหาความสุขกันถ้าเราเอยหาความสุขจากราบยศสรรเสริญ พอได้ยินได้ฟังทําบ่อยๆแล้วก็จะรู้แล้วว่าความสุขที่ได้จากราบยศฉลเสริญจากรูปเสียงกลิ่นรสนี้มันเป็นความสุขที่ชั่วคราวที่จะต้องมีวันสิ้นสุดมีวันหมดไปเพราะร่างกายที่เป็นเครื่องมือในการหาความสุขของราบยศฉลเสริญของรูปเสียงกลิ่นรสก็เป็นของไม่แน่นอนอาจจะมี เจ็บไข้ได้ปวยขึ้นมาได้ทุกเวลาหรืออาจจะเกิดมีอาการพิการขึ้นมาก็ได้ร่างกายก็อาจจะไม่ครบอาการสามสิบสองตาอาจจะบอดไปหูอาจจะหกไปแล้วถ้าเครื่องมือมันไม่พร้อมที่จะหาความสุขให้ความสุขที่ต้องการก็จะหามาไม่ได้นี่คือธรรมะที่เราจะได้ยินได้ฟังจาก พระพุทธพระธรรมหรือพระสงฆ์ mm hmm. อย่าหลงงมงายกับการหาความสุขจากสิ่งที่มันเป็นทุกข์ mm hmm. ที่มันเป็นทุกข์ก็เพราะว่ามันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตา mm hmm. มันเป็นทุกข์เพราะว่ามันเป็นอนิจจังมันไม่เที่ยงมีเกิดแล้วมันก็ต้องมีการดับไปเป็นธรรมดามีเจริญแล้วก็ต้องมีการเสื่อมไปเป็นธรรมดามันเป็นอนัตตามันเป็นสภาวะทางธรรมชาติ ที่ไม่มีใครสามารถที่จะไปควบคุมบังครับให้มันเจริญเพียงอย่างเดียวให้มันดีตลอดเวลาไม่ได้มันสลับกันไปสลับกันมาเดี๋ยวก็เจริญแล้วเดี๋ยวก็เสื่อมเดี๋ยวก็เกิดแล้วเดี๋ยวก็ดับมันจึงทำให้ใจเราวุ่นวายไปกับการเกิดการดับของสิ่งที่เราเพิ่งพาใสยให้ความสขกับเรานั่นเอง ให้มาหาความสุขแบบที่มั่นคงกว่าที่เราสามารถควบคุมบังคับได้ก็คือความสุขที่เกิดจากการทำใจให้สงบนี้การทำใจให้สงบนี้ก็จะต้องมีวิธีการที่จะทาให้ใจให้สงบถ้าได้ศึกษาก็จะได้เรียนรู้ว่าถ้าอยากจะทำใจให้สงบนี้ก็ต้องมีเวลาให้กับการจเจริญสติ การสติสตินี้มีไว้ทําไมสตินี้มีไว้เพื่อคอยควบคุมความคิดคอยหยุดความคิดนั่นเองเพราะความคิดนี่แหละที่เป็นตัวทําให้เกิดความอยากขึ้นมาพอคิดแล้วความอยากมันก็จะโผล่ขึ้นมาได้คิดถึงสิ่งนั้นสิ่งนี้ก็อยากได้ขึ้นมาคิดคิดถึงบุคคล น, นั้นบุคคล น, นี้ก็อยากจะไปพบขึ้นมาจริง คิดถึงสถานที่นั้นสถานที่นี้ก็อยากจะไป ท, ทันทีแต่ถ้าเราหยุดคิดได้ไม่ให้มันคิดถึงเรื่องราวต่างๆได้ความอยากมันก็จะเกิดขึ้นมาไม่ได้ถ้าว่าความอยากไม่เกิดขึ้นความทุกข์ความวุ่นวายใจต่างๆก็จะไม่เกิดขึ้นใจก็จะเย็นใจก็จะสงบใจก็จะสบายได้อันนี้คือการที่เราจะเปลี่ยนวิธีการหาความสุข จากการไปหาสตางค์เพื่อไปซื้อความสุขในรูปแบบต่างๆให้เราเปลี่ยนมาหามหามหาสติเพื่อจะได้ทาใจให้สงบถ้าตามทาใจให้สงบได้ด้วยสติแล้วเวลาใจสงบนี้จะได้ความสุขที่เหนือกว่าความสุขที่ได้จากการมีสตางค์ไปซื้อความสุขต่างๆ ลถแห่งธรรมชนะรถทั้งปวงลถแห่งธรรมก็คือลถของความสงบนี่ชนะลดทั้งปวงก็คือชนะลถของราบยศเสรเสริญชนะลดของรูปเสียงกิ่นลดผลสะพานี่ให้เราพยายามเปลี่ยนวิธีหาความสุขกันอย่าไปหาความสุขที่จะต้องกลายเป็นความทุกข์ให้หาความสุขแบบที่ไม่กลายเป็นความทุกข์ให้หาความสุขที่เราสามารถที่จะรักษา ให้มันให้ความสุขกับเราไปได้เรื่อยไปจะทั้งถึงให้ความสุขแบบถาวรได้ด้วยการที่มีความพยัญชนะเพียรในการที่จะมาเจริญสติมานั่งสมาธิและมาเจริญปัญญานี่การที่เราจะมาสร้างสติสร้างสมาธิสร้างปัญญาเพื่อส่งใจให้หลุดออกจาก โลกแห่งการเงินว่าตายเกิดยี่ได้นเราจำเป็นจะต้องมีเวลาให้กับการสร้างคุณธรรมเหล่านี้เหมือนกับการที่เราต้องไปทำงานการที่เราต้องไปทำงานเพราะเราต้องการรับมีรายได้มีรายได้เพื่อเราจะได้เอารายได้มาจับใจซื้อข้าซื้อของต่างๆทั้งที่จำเป็นและไม่จำเป็น ถ้าเราต้องการที่จะได้การหลุดพ้นออกจากการเวียนว่ายตายเกิดได้หลุดออกจากสังสารวัฏได้เข้าสู่พระนิพพานเราก็จําเป็นที่จะต้องมีเวลามาสร้างงานที่จะพาให้เราได้ไปถึงพระนิพพานกันก็คือมาสร้างสติสร้างสมาธิสร้างปัญญายกันนั่นเองดังนั้นถ้าเราเห็นโทษของการ หาความสุขจากราบยศสารจากรูปเสียงกลิ่นรสแล้วเราเห็นคุณของการหาความสุขจากการปฏิบัติธรรมจากการบำเพ็ญจิตตะภาวนาเจริญสตินั่งสมาธิเจริญปัญญาเราก็ต้องเปลี่ยนงานงานที่ทำให้เราทุกตรงงานที่ทำให้เราสุขงานที่ทำไปแล้วมันยะ ม, มีแต่ทำให้เราทุกไปเรื่อยๆ ทุกไปจนวันตายไม่รู้เราจะทำไปทำไมงานแบบนี้รู้เรามาทำงานที่จะทำให้เราไม่ทุกข์ดีกว่างานที่จะทำให้เราไม่ทุกข์ก็คืองานปฏิบัติจิตตภาวนานี่จเจริญสตินั่งสมาธิแล้วก็พิจารณาทางปัญญาตามลำดับถ้าเราได้ศึกษาบ่อยๆได้ยินได้ฟังได้ฟังธรรมบ่อยๆเราก็จะได้ข้อสรุปอย่างนี้แหละ ว่าวิธีการหาความสุขของเราในตอนนี้คือการหาความสุขจากราบยศกระเสริญหาความสุขจากรูปเสียงกิตลดผลสะพ้าชนิดต่างๆนี้มันจะนำเราไปสู่ความทุกข์เพราะมันเป็นความสุขที่อยู่ภายใต้กฎของไตรลักษณ์เสวนิจังเป็นความสุขที่ไม่เที่ยงแท้แน่นอนมีเจริญได้มันก็มีเสื่อมได้ มีเกิดได้มันก็มีดับได้เวลามันเจริญมันก็ให้ความสุขกับเราเวลามันเสือ่อมเวลามันหมดไปมันก็จะให้ความทุกข์กับเราถ้าเราเห็นโทษของการแสวงหาความสุขของโลกกระทำแล้วเราก็จะได้มาเปลี่ยนวิธีหาความสุขแบบ <c oughs> แบบแบบแบบของพระพุทธเจ้า เปลี่ยนจากโลกกธรทำมาเป็นการปฏิบัติธรรมธรรมนี่แหละที่จะให้ความสุขที่แน่นอนที่มั่นคงที่ถาวรที่จะอยู่กับใจของเราไปตลอด mm hmm. เมื่อเราได้รู้แล้วว่าเรามีทางเลือกสองทางคือทางโลกกับทางธรรมทางโลกก็จะนำเราไปสู่ความทุกข์อยู่เรื่อยๆ mm hmm. ไม่ใช่แต่จะทุกข์แต่เฉพาะพรุนี้ชาตินี้เท่านั้น ตายไปแล้วเดี๋ยวเราก็จะกลับมาเกิดใหม่เพราะว่าความอยากที่จะติดอยากจะหาความสุขจากโลกธรรมมันก็ยังมีฝังอยู่ในใจพอร่างกายนี้ตายไปไม่มีเครื่องมือที่จะหาความสุขจากโลกธรรมได้ใจที่ยังหิวโหวยกับความสุขทางโลกธรรมอยู่ก็จะไปหาร่างกายอันใหม่ไปเกิดใหม่ พอได้ร่างกายอันใหม่ก็เอาร่างกายอันใหม่นี้มาเป็นเครื่องมือในการหาโลกธรรมต่อไปแล้วเมื่อไปหาโลกธรรมก็จะต้องเจอความไม่แน่นอนของโลกธรรมก็ต้องเจออนิจจังทุกขังอนัตตาของโลกธรรมเวลาได้ความสุขมันก็มันก็ไม่เป็นปัญหาอะไรแต่พอเวลาเจอความทุกข์จากโลกธรรมเวลาโลกธรรมพ่นพิษใส่ให้ ท่านั้นนั้นจะทุกข์ทรมานใจเป็นอย่างมากต้องพยายามพิจารณาให้เห็นโทษเห็นความทุกข์ของโล ก, กธรรมก็จะได้เกิดความหวาดกลัวไม่กลา้าไม่อยากที่อยากจะไปหาความสุขจากจากโล ก, กธรรมเพราะมันเป็นเหมือนกับเหยื่อที่ติดอยู่ปลายเวท เย่อที่ติดอยู่ปายเบ็ดถ้าไม่ฉลาดก็จะคิดว่าเป็นอาหารอนโนชะแต่พอไปฮุบเหยื่อเข้าก็จะถูกสะขอเบ็ดที่เกี่ยวปากแล้วก็จะถูกดลากขึ้นไปจากน้ำํำจากในแม่น้นําลําคลองไปสู่น้ำในกระทะต่อไปน้ําในหม้อต่อไปก็ถูกถูกจับไปกินนั่นเองอัในใดความสุขที่ได้จากราบยศทลสนุกนี้ก็เป็นแบบ เกลือที่ติดอยู่ปลายเบ็ดมันมีโทษมีทุกข์ติดอยู่ตามมาพอได้แล้วมันจะติดติดแล้วมันอยากจะได้ไปเรื่อยๆพอเวลาที่ไม่ได้เวลาที่มันสูญเสียมันก็จะทําให้เกิดความทุกข์ใจเข้าใจขึ้นมาพยายามมองให้เห็นเห็นทุกข์เห็นโทษของโลกธรรมพยายามพิจารณาให้เห็นว่ามันเป็นตายลักเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตา เห็ น, นั้นนิจจังเพราะมันไม่เที่ยงความไม่เที่ยงนี่แหละมันยังทำให้เกิดความทุกข์ใจขึ้นมาเพราะเราอยากให้มันเที่ยงอยากให้มันให้ความสุขกับเราไปเรื่อยๆพอมันเปลี่ยนไปจากการให้ความสุขมาเป็นการให้ความทุกข์เราก็ทุกข์ใจทรมานใจขึ้นมแล้วเราก็ห้ามมันไม่ได้ควบคุมบังคับมันไม่ได้มันเป็นอนนาตามันไม่ได้เป็นของเรา มันไม่ได้เป็นของที่เราสามารถจะควบคุมบังคับได้มันเป็นภาวะปรากฏการณ์ทางธรรมชาติเหมือนกับดินฟ้าอากาศที่ไม่มีใครสามารถที่จะไปควบคุมบังคับมันได้ฝนจะตกแดดจะออกนี่ไม่มีใครไปสั่งไปห้ามมันได้ น, นี่คือการ การได้ยินได้ฟังทำรรการที่ได้เข้าหาพระพุทธธรรมพระสงฆ์อยู่เรื่อยๆจะเข้าหาด้วยการศึกษาอ่านหนังสือธรรมะของพระพุทธเจ้าก็ได้คือพระสูตรต่างๆที่มีบันทึกไว้ที่ในพระไตรปิฎกหรือจอากหนังสือของพระอริยบุคคลพระปฏิบัติดีปฏิบัติชอบครูบาอาจารย์ที่มีมีชื่อเสียงได้บรรลุผลที่พพานแล้ว แม้ท่านจะตายจากไปแล้วแต่คําสอนของท่านที่มีบันทึกไว้เป็นหนังสือนี้ก็ยังมีคนมีประโยชน์เหมือนกับการได้ได้ศึกษาได้เรียนรู้จากปากของท่านโดยตรงเลยให้หาความรู้เหล่านี้มาโดยถ้าเป็นไปได้ถ้าเรารู้มีรู้จักพระปฏิบัติดีปฏิบัติชอบอยู่ที่ไหนที่เราสามารถที่จะไปพบไปศึกษาไปอยู่ปฏิบัติดได้ยิ่งดี เพราะการได้อยู่ใกล้ชิดกับครูบาอาจารย์ผู้ปฏิบัติ ด, ดีปฏิบัติชอบผู้รู้ธรรมผู้มีดวงตาเห็นธรรมท่านก็จะถ่ายทอดธรรมะอันประเสริฐนี้มาให้กับพวกเราสอนให้เราละการหาความสุขทางตาหูจมูก น, นิ้นกายสอนให้เราละการหาความสุขจากรากยศทรรศน์แล้วสอนให้เราหมั่นหาความสุขจากการบำเพ็ญจิตตภาวนา และความสุขจากการทำใจให้สงบเพราะความสุขที่เกิดจากความสงบนี้เป็นความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวงและเป็นความสุขที่มั่นคงที่แน่นอนเพราะว่าเมื่อเราสามารถที่จะทำใจให้สงบได้แล้วเราก็จะสามารถทำใจให้สงบไปได้เรื่อยๆแล้วเราก็จะสามารถควบคุมความสุขแบบนี้ได้ ควบคุมให้ใจของเรามีความสงบไปได้เรื่อยๆจนกระทั่งสงบอย่างถาวรใจที่สงบอย่างถาวรก็เรียกว่าพระนิพพานนี่เอใจที่ได้หลุดออกจากโลกแห่งการเวียนว่ายตายเกิดเหตุที่กระแสหรือแรงดึงดูดของโลกของแห่งของการเวียนว่ายตายเกิดคืออะไรก็คือตัณหาความอยากนี่อ สามาทัญหานี้ก็จะดึงดูใจให้ติดอยู่ในเวียนว่ายตายเกิดในตามะพบราวะทัญหาความอยากหาความสุขจากการเข้าสมาธิก็จะดึงให้ไปติดอยู่ในรูปะพบและอรูปะพบถ้าต้องการไปพระนิพพานก็ต้องละความอยากทั้งสามนี้ให้ได้ด้วยการปฏิบัติเรื่งจบนก็ปฏิบัติ สติก่อน ต, ต้องมีสติเป็นเครื่องคอยหยุดความคิดหยุดกิเลสหยุดความอยากแต่เป็นการหยุดแบบชั่วคราวไปก่อนเพราะว่าสตินี้ไม่สามารถที่จะทําลายความอยากให้หมดสิ้นไปจากใจได้อย่างถาวรเพียงแต่คุมมันไว้หยุดมันไว้ไม่ให้มันทํางานได้เป็นพักๆเท่านั้นเองเช่นเวลาที่มีสติ เวลาที่นั่งสมาธิแล้วจิตสงบด้วยสตินี้ปัญหาความอยากมันก็จะหยุดทำงานชั่วคราวจนกว่ากาลังของสติอ่อนลงไปกำลังของตัญหาความอยากมีมากขึ้นก็จะผลักดันให้จิตออกจากสมาธิมาให้ออกมาเพื่อไปหารูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐะเพราะว่าเคยยัง ยังเคยอยากหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสอยู่ยังอยากหาความสุขจากราบยศสรรเสริญอยู่เวลาออกจากสมาธิมาถ้าไม่มีสติคอยควบคุมใจเดี๋ยวก็เกิดฉัก็มีความอยากที่จะไปหาเงินหาทองขึ้นมาอยากจะไปหายศฐานตําตแหน่งขึ้นมาอยากจะได้คําสรรเสริญเยือนยออยากจะหาความสุขจากการเสพ ร, รูปเสียงกลิ่นรสผู้ปฏิบัติ เวลาที่ออกจากสมาธิก็จึงจำเป็นที่จะต้องคอยควบคุมใจต่อไปด้วยสติไม่ปล่อยให้ใจไม่มีสติเลยก่อนจะเข้าสมาธิก็ต้องมีสติ <c oughs> เพื่อควบคุมความอยากไม่ให้มันทำงาน <c oughs> ก็หยุดความคิดใจพอมีสติควบคุมหยุดความคิดได้เวลานั่งสมาธิจิตก็สงบได้พอออกจากสมาธิมา ถ้าไม่ถ้าไควบคุมความคิดด้วยสติต่อไปเดี๋ยวความคิดก็จะพาให้ไปหาหาความสุขจากรากยศสรรเสริญจากรูปเสียงกลียดลดได้ในขณะที่เริ่มปฏิบัติในระดับของสตินี้จำเป็นที่จะต้องเจริญสติตลอดเวลาตั้งแต่ก่อนที่จะเข้าสมาธิแล้วก็หลังจากที่ออกจากสมาธิมา ก็ต้องจเจริญสติต่อไปถึงจะสามารถคอยควบคุมตัญหาความอยากที่จะหลอกที่จะดึงให้ไปหาความทุกข์จากราบยุทรเสริญจากรูปเสียงกลิ่นลดได้แล้วเมื่อเรามีความชํานาญในการจเจริญสติสามารถเข้าออกสมาธิได้ทุกเวลาที่เราต้องการแล้วขั้นต่อไปเวลาที่ออกจากสมาธิมา เราก็มาเจริญปัญญากันมาคอยสอนใจให้เห็นเห็นตายรักในสิ่งต่างๆให้เห็นตายรักในลาบยศเสรเสริญว่าได้เงินทองมาแล้วเดี๋ยวมันก็หมดได้เวลาหมดแล้วมันก็ทุกข์อีกต้องหาใหมา่อ่อหาได้มาก็เอาไปใช้ใช้เดี๋ยวใช้หมดแล้วมันก็ต้องทุกข์อีกมันก็จะต้องเจอความทุกข์อยู่เรื่อยๆถ้าเราต้องการที่จะใช้เงินทองเป็นเครื่องมือในการ ซื้อความสุขต่างๆาอいいพอซื้อเวลาเรายอยากยมีความสุขเราก็ต้องมีเงินไปซื้อมาเช่นอยากจะไปเที่ยวก็ต้องมีเงินจ่ายค่าท่องเที่ยวค่าโรงแรมค่าที่พักค่าอาหาร okay. ค่าบริการอะไรต่างๆ okay. Okay. พอเราเอาเงินไปซื้อความสุขหล่านี้เงินที่เราหามาได้มันก็จะค่อยๆหมดไปพอมันหมดเราก็จะทุกข์พอไม่มีเงินใช้เราก็จะทุกข์กัน เราก็ต้องไปทุกข์กับการหาเงินหาทองอยู่เรื่อยๆหามาเพื่อเอามาซื้อความสุขความทุกข์ที่ได้จากการหาเงินความทุกข์ที่เกิดไดจากการเวลาเงินหมดนี้มันมากกว่าความสุขที่เราได้จากการใช้เงินใช้ทองซื้อความสุขให้เราใช้ปัญญาพิจารณาอย่างนี้เราจะเห็นว่าการที่เราไปหาความสุขจากลาบยศจระเสรญ จ, จากรูปเสียงกลิ่นแล้วถอดสภาณี มันเป็นการไปหาความทุกข์เสียมากกว่าความสุขที่ได้จากวันนี้มันเป็นเพื่อชั่วครั้งชั่วคราวอานนานทีทำงานเก็บเงินเก็บทองเป็นเวลาหลายหลายวันหลายเดือนแล้วก็ไปเที่ยวสักครั้งหนึ่งปีหนึ่งไปเที่ยวสักครั้งหนึ่งมันก็ได้ความสุขแค่ประเดี๋ยวกระดาษแล้วก็ต่อไปเวลาร่างกายมันแก่ร่างกายมัน ไม่มีความสามารถที่จะหาเงินหาทองได้อันนี้ก็ต้องก็ต้องลาบากจะใช้เงินเหมือนตอนที่สามารถหาเงินหาทองได้ก็ใช้ไม่ได้นะเพะต้องเก็บไว้กับการดูแลเลี้ยงดูร่างกายต้องจ่ายค่าอาหารจ่ายค่ายาค่ารักษาพยาบาลจ่ายค่าบ้านจ่ายค่าน้ำค่าไฟอะไรต่างๆ <c oughs> แล้วถ้าเกิดเงินทองไม่พอจ่ายก็จะลาบาก <c oughs> อันนี้คือ การใช้ปัญญาสอนใจให้เห็นความทุกข์ในการหารากยศเสริญหาความสุขจากเลือกเสียงกิ่นลดโสดต่อพระเพจะทําให้เราหยุดความอยากเวลาอยากที่จะไปหาความสุขจากราภยศเสริญล้วก็บอกไม่ไปดีกว่ามาหาความสุขจากการทําใจให้สงบดีกว่ามาหยุดความอยากดีกว่าพอเราฝืนความอยากได้ใจเราก็จะสงบโดยที่ไม่ต้องเข้าไปในสมาธิ ต่อไปเราก็ไม่ต้องพึ่งสมาธิก็ได้ถ้าเรารู้วิธีการทำใจให้มีความสุขด้วยการฝืนความอยากหยุดความอยากนี้ด้วยการใช้ปัญญาด้วยการพิจารณาให้เห็นว่าสิ่งต่างๆที่เราอยากให้อยากได้มาให้ความสุขกับเรามันเป็นอนิจจังมันเป็นของไม่ของชั่วคราว ได้มาแล้วเดี๋ยวมันก็หมดไปพอหมดไปความสุขก็หมดไปความทุกข์ก็เข้ามาแทนที่มันเป็นอนัตตาเราไปห้ามมันไม่ให้หมดไม่ได้ถ้าเราใช้มันก็ต้องหมด <c oughs> ให้พิจารณาตายรักในสิ่งที่เราอยากได้ในสิ่งที่เราคิดว่าจะให้ความสุขกับเราถ้าเราพิจารณาแล้วเราก็จะเห็นว่ามันไม่เที่ยงเมื่อมันไม่เที่ยงมันก็ต้องให้ความทุกข์กับเราเวลาที่มันเสื่อมไปเวลาที่มันหมดไป ล้วเราก็ไม่สามารถห้ามมันไม่ให้เสือ่อมห้ามมันไม่ให้หมดไม่ได้ทุกสิ่งทุกอย่างที่เราได้มาแล้วมีอยู่ในวันใดวันหนึ่งมันก็จะต้องมีวันสิ้นสุดลงมีวันหมดไปได้ <c oughs> คิจรณายอย่างนี้เรื่อยต่อไปความอยากที่จะหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสมันก็จะหมดไปเมื่อไม่มีความอยากแล้วใจของเราก็จะสงบอยู่เฉยๆมีความสุขเพราะว่า ตัวที่ทำให้ใจเราทุกข์ใจเราไม่มีความสุขก็คือความอยากนี่ความอยากหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสพอเราชนะมันได้หยุดมันได้พอมันไม่สแสดงตนนี่ต่อไปใจของเราก็จะนิ่งสงบโดยที่ไม่ต้องใช้สติไม่ต้องเข้าสมาธิใช้ปัญญาแทนปัญญานี่แหละที่จะทำให้ใจเราสงบอย่างถาวร <c oughs> ตั้งแต่ระดับ ระดับการขึ้นมาสู่ระดับสมาธิแล้วก็สู่ระดับปัญญาตามลํำดับไปปัญญานี้จะสอนใจให้ละความอยากของทุกระดับความอยากที่จะหาความสุขจากโลกกระมำคือลาภยศสารเสริญก็ก็ต้องละเพราะว่ามันเป็นทุกข์ความอยากที่จะหาความสุขจา ก, ก, กรูกประชานก็เป็นทุกข์เพราะมันไม่เที่ยงเหมือนกัน ความอยากที่จะหความสุขจากอารูปประชานก็เหมือนกันมันก็ไม่เทีย่ยงแต่ในช่วงที่เรายังไม่ได้อยู่ขั้นปัญญานี้เรายังต้องอาศัยความสุขจากรูปประชานหรืออรูปประชานเป็นเครื่องมือในการใช้ละความอยากในทางกลามก่อนแต่เมื่อเราละความอยากทางกลามได้แล้วแล้วเราเห็นแล้วว่าวิธีที่จะทํำใจให้เราสงบนี้ไม่ใช่เพียงแต่ใช้สติเพียงอย่างเดียว ถ้าถ้าเราสามารถใช้สาใช้ใช้ปัญญาได้เราก็จะสามารถที่จะทำใจให้สงบได้โดยที่เราไม่ต้องพึ่งสมาธิ<ม>เราเพียงแต่ใช้ปัญญาสอนใจให้หยุดความอยากทุกครั้งที่อยากจะเข้าสมาธิอยากจะหาความสงบจากสมาธิก็ตัดความอยากนี้ไปไม่ต้องเข้าก็ได้พอตัดความอยากเข้าสมาธิได้ใจก็จะสงบเหมือนกับเข้าสมาธิ โดยที่ไม่ต้องอาศัยสมาธิต่อไปแต่เบื้องต้นในขณะที่เรายังละความอยากทางกามคุณไม่ได้ทางอยากทางตาหูจมูกนิ้นกายไม่ได้เราก็ต้องใช้ความความสงบของสมาธิมาเป็นเป็นเครื่องมือทดแทนก่อนแทนที่เวลาที่เราจะหาความสุขจากรูปเสียงก ล, ลิ่นรสผลพระเราก็เปลี่ยนไปนั่งสมาธิกัน จเจริญสติควบคุมใจให้สงบทาใจให้เย็นพอใจสงบใจเย็นแล้วก็จะเกิดความสุขขึ้นมาแล้วก็จะทําให้เราละความอยากทางตาหูจมูกนิ้นกายทางรูปเสียงกลิ่นลดได้ชั่วคราวพอเราเห็นแล้วว่าเวลาที่เราไม่ได้มีความอยากที่จะเสพ ร, รูปเสียงกลิ่นลดใจเราจะนิ่งใจเราจะสงบขั้นต่อไปเวลาที่เกิดความอยากขึ้นมา เราก็ใช้ปัญญาปัญญาก็จะมาสอนให้เราเห็นว่าการทำตามความอยากนี้มันจะทำให้เราทุกข์เพราะสิ่งที่เราอยากได้มันเป็นของไม่เที่ยมเป็นอนัตเป็นอนิจจังและเป็นอนัตตาเป็นของที่เราสั่งไม่ได้ควบคุมบังคับไม่ได้พอเราเห็นด้วยปัญญาทีนี้เราก็จะหยุดความอยากได้อย่างถาวรต่างกับการหยุดด้วยสติ การอยู่ด้วยสติก็เคียงแต่คอยควบคุมหยุดความคิดที่จะคิดไปในทางความอยากแต่มันก็จะไม่ได้หยุดแบบถาวรพอไม่มีพอเวลาใดเผลอสติปล่อยให้ใจคิดมันก็จะคิดไปหาความอยากทางรูปเสียงกลิ่นรสกฎสภาพได้แต่ถ้าใช้ปัญญาสอนใจให้เห็นว่าการไปหาความอยากทางรูปเสียงกิน่นรสนี้เป็นการไปหาความทุกข์เพราะรูปเสียงกิ่นรสมันเป็นของไม่เที่ยง มันเกิดแล้วมันก็ดับได้มันมาแล้วมันก็ไปได้เวลามันมามันก็ให้ความสุขกับเราเวลามันปะจากเราไปมันก็จะให้ความทุกข์กับเราอันนี้เห็นด้วยปัญญาใช้ปัญญาปัญญานี้มาแก้เหตุคือความหลงที่ทําให้เกิดความอยากเพราะคิดว่ามันเป็นความสุขแต่พอปัญญาพิจารณาแล้วเห็นว่ามันเป็นความทุกข์มันไม่ใช่เป็นความอยากต่อไปมันก็จะไม่อยากได้เพราะไม่มีใครอยากจะได้ความทุกข์ ที่ยังอยากได้อยู่เพราะคิดยังคิดว่ามันเป็นความสุขอยู่ถ้ายังไม่ใช้ปัญญาก็ยังจะเห็นว่าลาบยศสรรเสริญเห็นว่ารูปเสียงจิ่ตลดผลตภานี้เป็นความสุขยังอยากได้อยู่ยังอยากได้เงินอยากได้ทองอยากได้ยศอยากได้ตําแหน่งถึงแมอจะฝึกสมาธิได้นั่งสมาธิได้หาความสุขจากการเข้าสมาธิได้ก็ตามในเวลาออกจากสมาธิมาพอไปคิดถึงลาบยศส ร, รรเสริญ คิดถึงรูปเสียงกลิ่นรสผลิตภัพฑ์ก็จะเกิดความอยากได้ขึ้นมาเพราะตอนนั้นยังไม่ได้ใช้ปัญญามีแต่สติสติคอยยับยั้งความนี้ความอยากเสพสิ่งเหล่านี้ไว้ชั่วคราวเท่านั้นเองแต่พอออกจากสมาธิมาถ้าไม่ได้ใช้ถ้าไม่ได้ถ้าไม่มีสติปล่อยให้ใจคิดเรื่องนูน้นเรื่องนี้เดี๋ยวมันก็จะคิดไปอยากได้ความสุขจาก ราบยศสรรเสริญจากรูปเสียงกิ่นรสใหม่ <Honestly. S 1> <ừ. S 2> พอสตินี้ไม่ไม่ได้มาแก้เหตุคือความหลงสติแก้ความหลงไม่ได้สิ่งที่จะแก้ความหลงได้ก็คือปัญญา <laughs> ปัญญาจะมาแก้ความหลงความหลงคือความเห็นผิดนั่นเห็นผิดเป็นชอบ <laughs> เห็นสิ่งที่ไม่เที่ยงว่าเที่ยง <laughs> <laughs> <laughs> เห็นสิ่งที่เป็นทุกข์ว่าเป็นสุขเห็นสิ่งที่ไม่ใช่ของเราเป็นตัวเราว่าเป็นของเราเป็นตัวเรา อันนี้ต้องเป็นหน้าที่ของปัญญาปัญญาจะมาวิเคราะห์สิ่งเหล่านี้ว่ามันเที่ยงหรือไม่เที่ยงมันเหมือนเดิมตลอดเวลาหรือไม่หรือมันได้มาแล้วเดี๋ยวมันก็เสื่อมหมดไปหรือมันเปลี่ยนไปบางทีมันก็ขึ้นบางทีมันก็ลงถ้าไม่มีปัญญาจะมองไม่เห็นความว่าเปลี่ยนแปลงของสิ่งต่างๆแถ้าใช้ปัญญาวิเคราะห์ดูแล้วก็จะเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่ปรากฏขึ้นมาอยู่ในโลกนี้มันมีการเปลี่ยนแปลงแค่นั้นเอง เพียงแตการเปลี่ยนแปลงของมันอาจจะช้าบ้างเร็วบ้างบางอย่างก็เปลี่ยนเร็วบางอย่างก็เปลี่ยนช้าแต่ทุกสิ่งทุกอย่างมันเปลี่ยนไปทั้งนั้นเช่นร่างกายของเรานี้มันก็เปลี่ยนไปทุกวันทุกเวลาทุกนาทีเพียงแต่ลาการเปลี่ยนแปลงของมันมันช้าเรามองไม่เห็นว่ามันเปลี่ยนแต่ถ้าเราเอารูปที่เราถ่ายเมื่อห้าปีสิบปีก่อนแล้วมาเปรียบเทียบกับรูปของเราในวันนี้เราก็จะเห็นว่ารูปเมื่อห้าปีสิบปีก่อน กับเราในวันนี้เป็นเหมือนคนละคนเลยเพราะว่าร่างกายมันเปลี่ยนตลอดเวลาถ้าเรามองทุกวันเราจะมองไม่เห็นว่ามันเปลี่ยนเพราะมันเปลี่ยนช้าแต่ถ้าเราเอาเวลาเอารูปถ่ายตั้งแต่ตอนที่เราเป็นเด็กมานี้แล้วมาดูตอนที่เราเป็นผู้ใหญ่แล้วเราก็จะคิดว่าเราเป็นคนละคนกับเด็กคนนั้นเลยก็ได้แต่มันก็เป็นร่างกายอันเดียวกันที่มีการพัฒนากันขึ้นมาจเจริญเติบโตขึ้นมา จากเดกก็ขึ้นมาเป็นผู้ใหญ่แล้วต่อไปจากผู้ใหญ่ก็จะเป็นผู้เท่าผู้ชราทุกอย่างมีการเปลี่ยนแปลงเราต้องใช้ปัญญาวิเคราะห์ดูเราถึงจะเห็นการเปลี่ยนแปลงเมื่อเราเห็นการเปลี่ยนแปลงแล้วเราก็จะเห็นความทุกข์ตามมาสิ่งที่มันให้ความสุขกับเราตอนที่มันสวยงามพอมันกลายเป็นของไม่สวยไม่งามแล้วความสุขที่ได้จากมันก็จะหายไป คามทุกข์ก็จะกลับเข้ามาในเวลาที่เราดูคนเป็นแล้วเราก็ไปดูคนตายคนคนเดียวกันเนี่ยเวลาดูคนเป็นก็เห็นเขาต้องดูหน้าตาดีถ้าเป็นหญิงก็สวยงามถ้าเป็นชายก็หล่อเหลาแล้วพอมาดูตอนที่เขาตายเป็นซากศพเขาไม่สวยไม่งามเหมือนตอนที่เขาเป็นหญิงเป็นสาวนะเพราะมันร่างกายมันเปลี่ยนไปมันเป็นอนิจจังอันนี้คือการใช้ปัญญา วิธีจะใช้ปัญญาต้องรู้จักเปรียบเทียบรู้จักแยกแยะ<ม>รู้จักสังเกตดูว่ามันเปลี่ยนอย่างไรมันถึงเรียกว่า<ม>เปลี่ยนเช่นใบไม้เวลามันออกมาใหม่ๆก็เป็นใบเขียว<ม>แล้วก็ติดอยู่บนต้นไม้อยู่ไปสักระยะหนึ่งแล้วต่อมามันก็จะเริ่มเปลี่ยนเป็นสีเหลืองสีน้าําตาลแล้วมันก็จะล่วงลงมาจากต้นไม้มอันนี้ก็เป็นอา น, นิจังเหมือนกัน สรุปแล้วทุกสิ่งทุอย่างนี้ที่ปรากฏขึ้นอยู่ในโลานี้มันมีการเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆเส้นลมที่พัดอยู่ในขณะนี้มันก็เปลี่ยนเดี๋ยวมันก็หยุดถ้าเดี๋ยวมันก็พัดเวลามันพัดมันก็ให้ความเย็นกับเราเราก็รู้สึกมีความสุขเวลามันหยุดพัดความเย็นที่มันให้กับเรามันก็หายไปความร้อนมันก็กลับเข้ามาแทนที่ความทุกข์มันก็กลับเข้ามาแทนที่อันนี้คือเรื่องของการเจริญปัญญา ต้องพยายามันศึกษาดูความเปลี่ยนแปลงของสิ่งต่างๆที่เราไปอาศัยเป็นเครื่องมือให้ความสุขกับเราว่ามันจะสามารถให้ความสุขกับเราได้ไปตลอดหรือไม่หรือวันใดวันหนึ่งมันก็จะต้องเสื่อมลงไปหมดสมรรถภาพหมดความสามารถในร่างกายของเราเนี่มันยังจะแข็งแรงตลอดไปหรือไม่หรือพออายุมากขึ้นมากขึ้น กำลังวังชาก็จะน้อยลงไปแล้วถูตาสมูกมันก็จะเสื่อมสภาพลงไปการทำงานการหาความสุขให้กับเรามันก็จะลดน้อยถอยลงไปในที่สุดมันก็จะไม่สามารถพาเราไปหาความสุขต่างๆได้เพราะนี้ก็คือความไม่เทียงของร่างกายที่เราใช้เป็นเครื่องมือในการหาความสุขต่างๆ การหนาะความสุขทางใจนี้เครื่องมือที่เราใช้คือสติกับปัญญานี้มันจะไม่เสือ่อมถ้าเราจเจริญแล้วมันจะอยู่กับเราไปเรื่อยๆเป็นมีแต่จะพัฒนาให้มันมากขึ้นไปเรื่อยๆจนกว่ามันจะเป็นร้อย <S <S 1> <S 1> พอมันเป็นร้อยแล้วทีนี้มันก็จะสร้างความสุขให้กับใจ เ, เราเอาอย่างเต็มร้อยสร้างความสุขแบบถาวรแบบไม่มีวันเสือ่อมความสุขทางใจนี้ ไม่อยู่ภายใต้กฎของตจละความสุขทางใจนี้จะจขึ้นและจะลงอยู่ที่การเจริญสติกับปัญญาถ้ามีการเจริญสติมีการเจริญปัญญาความสงบทางใจก็จะมีเพิ่มขึ้นไปอยู่เรื่อยเรื่อยเพิ่มขึนไปจนระทั่งถึงขั้นสูงสุดพอถึงขั้นเต็มร้อยแล้วมันก็จะไม่มีวันเสื่อมอีกต่อไปนี่คือความสุขทางใจที่พระเจ้ า, าส่งสอนให้เรา มาสร้างกันมาหากั น, นคือความสุขของพันธิภานในการที่เราจะสร้างความสุขของทางพันธนนิภารในนี้เราต้องมีเครื่องมือหรือมีจรวดเพื่อที่จะส่งใจของเราที่ตอนนี้ติดอยู่ในตายพบยึดอยู่ในสังสารวัตโลกแห่งการเยีนวายาตายเกิดตอนนี้ใจของเราจะเปลี่ยนไปและตอนนี้เราอยู่กลามาพบกันบางคนก็อยู่ในรูประพบอรูประพบ คนที่เข้ารูปฌานได้ก็จะไปอยู่ในรูปประพบคนที่เข้าอารูปฌานได้ก็จะไปอยู่ในอรูปประพบเวลาที่ร่างกายนี้ตายไปแต่ไม่ว่าจะเป็นรูปรรประพบอรูปประพบหรือ ก, การมาพบมันก็เป็นของไม่เที่ยงพอตายไปพอพอกำลังส่งที่ส่งให้ไปอยู่ตามพบต่างๆมันอ่อนกำลังลงมันก็จะพาให้เรากลับมาเกิดเป็นมนุษย์กันใหม่พอกลับมาเกิดเป็นมนุษย์เราก็ต้องมา สร้างความสุขสันไหนต่อไปถ้าเราเสพการเราก็ต้องมาหาเงินหาทองเพื่อเราจะได้ใช้เงินทองเพื่อไปหาความสุขทางตาหูจมูกม้นกายถ้าเราหาความสุขจากรู่ประชานเราก็จะไปเป็นนักบวชกันไปสึกสมาธิเข้ารู่ประชานเข้าอรูปประชานกันไปมันก็จะเป็นอย่างนี้ขึ้ น, น ล, ง ล, งลงกลับไปกลับมาอยู่เยน็นว่าตายเกิด แล้วทุกครั้งที่มาเกิดก็ต้องมาทุกข์กับความแก่ความเจ็บและความตายด้วยกันทุกคนไม่ว่าจะมาจากรูปภพหรืออาลูภพหรือมาจากเทวภพก็ตามเมื่อมาเกิดเป็นมนุษย์แล้วก็ก็จําเป็นที่จะต้องเจอกับความแก่ความเจ็บความตายอยู่เรื่อยถ้าไม่อยากจะต้องกลับมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายก็ต้องสร้างจรวดที่จะส่งให้ออกจากการมภพตายภพนี้ไปออกจากสังสารวัตให้ไปสู่พระนิพพาน การที่จะไปสูพ่พระนิพพานได้ก็ต้องมีเนี่ยมีพระหา้ามีศรัทธามีวิริยะมีสติมีสมาธิและมีปัญญาอันนี้แหละเป็นองค์ประกอบของของจลวดของใจที่จะส่งใจให้หลุดออกจากแรงดึงดูดของสังสารวัตรโลกแห่งการเวียนว่ายตายเกิดได้และการที่เราจะไปได้ น, นี้ก็กขึ้นอยู่กับศรัทธาในเบื้องต้นเราต้อง สร้างศรัทธาขึ้นมาวิธีสร้างศรัทธาที่ถูกต้องต้องสร้างศรัทธาด้วยการเข้าหาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เท่านั้นเพราะถ้าเราไปสร้างศรัทธาจากแหล่งอื่นเราจะไม่ได้ข้อมูลที่ถูกต้องแล้วมันจะไม่ทําให้เราได้เกิดศรัทธาอย่างเต็มที่แต่ถ้าเราได้ศึกษาจากพระพุทธพระธรรมหรือพระสงฆ์เราก็จะได้ศรัทธาเพราะเราจะได้ข้อมูลที่ถูกต้องมันจะทําให้เรา เห็นคุณประโยชน์ของการปฏิบัติธรรมเห็นโทษของการหาความสุขทางโลกกันแล้วเรา ม, มันก็จะสอนให้เราเปลี่ยนวิธีการหาความสุขทางโลกให้มาหาความสุขทางธรรมกันเราก็จะมีวิริยะมีความขยันหมั่นเพียรมีความยินดีมีความเชื่อมั่นว่าการหาความสุขทางธรรมนี้เป็นการหาความสุขที่แท้จริงเป็นการหาความสุขที่ยั่งยืนที่ถาวร เป็นความสุขที่จะทําให้เราได้หลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงเราก็จะมีวิริยะมีความพยันเหมือนเพียรที่จะปฏิบัติธรรมกันมีความพยันเหมือนเพียรที่จะเจริญสติอย่างต่อเ น, นื่องทั้งแต่ตื่นจนหลับถ้าเคยทํางานก็อยากจะออกจากงานเพื่อที่จะได้มีเวลามาให้กับการปฏิบัติเจริญสติได้อย่างเต็มที่เพราะถ้าเรายังทํางานอยู่นี่การจะเจริญสตินี่ก็เป็นไปได้ยาก พอเราจะต้องใช้ความคิดกับเรื่องกับงานต่างๆยิ่งคิดก็ยิ่งทําให้ใจเราไม่สงบเวลามานั่งสมาธิก็ใจก็จะสงบยากแต่ถ้าเราหยุดทํางานได้แล้วเราไปหาที่สงบเราไปเจริญสติทั้งวันได้ตั้งแต่ตื่นจนหลับเวลาที่เรานั่งสมาธิเราจะรู้สึกว่านั่งสมาธิได้ง่ายกว่าใจจะไม่ค่อยฟุ้งและใจก็จะสงบได้ง่ายกว่าก็ขึ้นอยู่กับว่าเราทํามากทําน้อย การที่จะทำใจให้สงบอย่างเป็นที่นี้จำเป็นที่จะต้องมีการปฏิบัติที่อย่างต่อเ น, นื่องเป็นระยะเวลายาวนานพอสมควรไม่ใช่นั่งวันหนึ่งแล้วก็ปฏิบัติวันหนึ่งแล้วก็คิดว่าจะทำให้ใจรวมได้มันไม่ได้ง่ายแบบนั้นยกเว้นคนที่มีบารมีเก่ามาแล้วคนที่มีส ต, ติมามากแล้วพอมีเวลาว่างอยู่คนเดียวนั่งสมาธิหลับตาบางทีห้านาทีสิบนาทีก็เข้าสู่ความสงบได้เลย อันนี้เป็นกรณีพิเศษสำหรับคนที่เคยฝึกสมาธิเคยฝึกสติมาตั้งแต่ชาติก่อนๆ่อามาฝึกสติฝึกสมาธินชาตินี้ก็จะสามารถเข้าสมาธิได้อย่างรวดเร็วและง่ายได้สำหรับผู้อื่นที่ยังไม่ได้สร้างสมาสร้างบา ร, รมีไม่ได้ปฏิบัติสมาธิไม่ได้เจริญสติมาก่อนในในชาติก่อนเวลาเจริญสติ ในชาตินี้อาจจะต้องใช้เวลามากกว่าใจจะว่างกว่าใจจะเย็นกว่าใจจะสงบได้ผู้ปฏิบัติทางนี้จึงจำเป็นจะต้องมีขันติมีความอดทนต้องใจเย็นๆอย่ารีบร้อนให้มีความเพียรพยายามทําไปเรื่อยๆอย่าท้อแท้อย่าเมิน่ายถึงแม้ยังไม่ได้ผลก็ขอให้คิดว่าความเพียร น, นี้แหละก็เป็นผลอย่างหนึ่งนะการได้ทําความเพียรการได้พยายามเจริญสติอย่างที่เราได้มาเปรีกวิเวก ได้มาอยู่กับความสงบได้มาคอยควบคุมความคิดนี้ก็ถือว่าอันนี้ก็ได้ผลในระดับหนึ่งแล้วก่อนที่เราจะได้ความสงบเราก็ต้องมีการปีกวิเวกเราจะต้องมีการเจริญสติอย่างต่อเ น, นื่องแล้วเราต้องมีการนั่งสมาธิเพื่อทำใจให้สงบนั่นครั้งแรกครั้งเดียวมันก็ยังอาจจะไม่สงบก็ไม่เป็นไรพยายามนั่งต่อไปนั่งหลายๆหนช่วงที่นั่งก็มีสติอยู่ครับ กรรมฐ า, านบทใดบทหนึง่งจะเป็นพุโทโธก็ได้จะเป็นการดูลมหายใจเข้าออกก็ได้เวลาไม่ได้นั่งสมาธิก็ให้เจริญกรรมฐ า, านต่อจะพุโทโธต่อไปเรื่อยๆก็ได้ในทุกกิริยาบทเดินยืนนั่งนอนทําอะไรก็พุโทโธพุโทโธกํากับใจคอยควบใจควบคุมใจไม่ให้ไปคิดถึงเรื่องราวต่างๆสตินี้ต้องทํามากๆเพื่อทําให้เกิดสมาธิขึ้นมาได้สติเป็นเหตุสมาธิเป็นผล ถ้าไม่มีสตินั่งสมาธิไปจนวันตายจิตก็จะไม่สงบจะไม่เป็นสมาธิจิตจะเป็นสมาธิได้จําเป็ น, นที่จะต้องมีสติต้องฝึกสติตั้งแต่ตื่นจนหลับคอยควบคุมความคิดคอยหยู่ความคิดด้วยการบริกรรมพุทโธพุทโธไปเรื่อยหรือด้วยการคอยเฝ้าดูการเคลื่อนไหวของร่างกายในทุกกิริยาบุตรไม่ว่าน่างกายกําลังทำอะไรอยู่ก็ให้อยู่กับการทําของร่างกายเพียอย่างเดียว อย่าสงใจให้ไปคิดอยงเรื่องนั้นเรื่องนี้ให้อยู่กับเรื่องของร่างกายเพียงอย่างเดียวตลอดเวลาแล้วใจจะมีสติใจจะว่างใจจะเย็นใจจะไม่ฟุ้งซ่านเวลานั่งสมาธิก็เปลี่ยนมาดูลมหายใจเข้าออกแทนดูนที่ปลายจมูกดูที่ล ม, มเข้าก็รู้ว่าเข้าลมออกก็รู้ว่าออกไม่ต้องควบคุมบังคับลมไม่ต้องตามนมเข้าไม่ต้องตามนมออกให้รู้อยู่ที่จุดเดียวอยู่ที่ปลายจมูกแล้วก็ ถ้ามลมจะหยาบหรือลมจะละเอียดก็ให้รู้ตามความจริงไม่ต้องไปบังคับให้มันละเอียดเพราะมันบังคับไม่ได้ลมเวลานั่งใหม่ๆมันจะหยาบพอใจเริ่มสงบแล้วมันก็จะละเอียดตามลําดับไปจน ก, กระทั่งบางทีรู้สึกว่ามันหายไปหายไปก็ไม่เป็นไรก็ดูอยู่ที่จุดเดิมดูอยู่ที่ปลายจมูกดูตรงที่ว่าตอนนี้ไม่มีลมเข้าลมออกให้รู้เฉยๆไปแล้วเดี๋ยวจิตก็จะรวมลงเข้าสู่สมาธิได้ แล้วจิตรวมลงสู่สมาธิแล้วจิตก็จะนน่งสงบไม่ต้องทําอะไรเพียงแต่มีสติให้รู้อยู่เท่านั้นสักแต่ว่ารู้อยู่เท่านั้นเองแล้วก็จะเกิดความสุขอันมหาศาลใจขึ้นมาแล้วจะทําให้เกิดความติดความติดอกติดใจที่อยากจะหาความสุขจากความสงบต่อไปเรื่อยๆความสุขทั้งโลกก็จะค่อยๆละไปลดไปเรื่อยๆเวลาที่ออกมาก็ใช้ปัญญาถ้าเกิดอยากจะไปหาความสุขทั้งโลกก็ ให้พิจารณาความสุขทั้งโลกว่าเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาไปถ้าเห็นว่าเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาก็จะไม่อยากกลับไปหาความสุขเองก็จะกลับมาหาความสุขจากการทำสมาธิต่อไปเรื่อยๆจนกล่าจะสามารถทำใจให้สงบได้อย่างถาวรด้วยการใช้ปัญญากาจัดความอยากต่างๆที่มีในใจให้หมดสิ้นไปพอความอยากถูกกาจัดด้วยปัญญาแล้ว ต่อไปก็ไม่ต้องทําอะไรแล้วงานทางธรรมก็จะสิ้นสุดลงวุชิตังบ ร, รมจริยังจิตในพรมจานนี้ได้สิ้นสุดลงแล้วเมื่อเราสามารถกําจัดความอยากต่างๆด้วยปัญญาให้หมดสิ้นไปจากใจได้แล้วใจของเราก็จะสงบอยู่ตลอดเวลาแต่ไม่มีอะไรมาทำให้ใจเราไม่สงบและไม่มีอะไรมาทำให้ใจเราทุกข์อีกต่อไปเพราะเหตุคือตัณหาความอยากนี้ได้ถูกกาจัด ทัใจด้วยปัญญาแล้วนั่นเองจิตทั้งหมดก็จะสิ้นสุดหนงไม่ต้องทําอะไรต่อไปไม่ต้องเจริญสติไม่ต้องนั่งสมาธิไม่ต้องเจริญปัญญาไม่ต้องเดินยกมก็ไม่ต้องทําอะไรก็ได้จิตอันนี้หลุดพ้นจากความทุกข์แล้วหลุดพ้นจากการยืนว่าตายเกิดแล้วไม่มีอะไรที่มาทําให้จิตนี้กลับไปเป็นเหมือนเดิมได้ต่อไปนี่คือสิ่งที่เราจะได้ถ้าเรามาสร้างจรวดให้กับใจของเรา ก็คือสร้างพละ ห, าห้าได้แก่ศรัทธาความเชื่อในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์วิริยะความภาคเพียรปฏิบัติธรรมตามคำสอนของพระพุทธเจ้าเพื่อเพียรเจริญสติอห้เลิกรู้อยู่ตลอดเวลาเพื่อหยุดความคิดต่างๆแล้วก็นั่งสมาธิเพื่อทําจิตให้รวมเป็นเป็นหนึ่งสักตะวารู้แล้วก็ออกจากสมาธินาก็ใช้ปัญญาสอนใจเวลาเกิดความอยากให้พิจารณาสิ่งที่อยากว่ามันเป็นทุกข์ นอนิจจังเป็นอนัตตาเมื่อเห็นว่าเป็นทุกข์เป็นอนิจจังเป็นอนัตตาก็จะไม่อยากมีต่อไปจิตก็จะหลุดพ้นจิตก็จะพบแต่ความสุขที่ถาวรถึงความสุขของพระนิพพานนี่ก็คือเรื่องราวของการสร้างจรวนเพื่อนำพาจิตให้ออกจากโลกของแห่งการเวียนว่ายตายเกิดคือสังสารวัฏให้ไปสู่โลกที่ไม่มีการเวียนว่ายตายเกิดก็คือพระนิพพาน การแสดงก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาก็ขออนุโมทนาให้พรยะถ า, าวาเลวาหาปุราปารลิปุเรนติสาขลังเอวเมวะอิโตจินังเตตานาังอุ ป, ปกปติอิจิตังปฏทีตังตุมหังคิดเมวะสนิชาตุสัพเพปุเรนตุสังกปา จันโทปนะราสุยาามณิโชติอาราสุยาาสัพพิติยวิวัชฌันตุสัพพโรโควินัสสตุมาเตภวัตวันตายุสุขีทีขายุโกภวะอภิวาธนสีลิสนิจังอุทาปจายินุจตารุธรรมวาทานติ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 427ท่าน YouTube พาสชาไลฟ์351ท่าน YouTube ดรวีหกท่านวิทยุออนไลน์ live, 6ท่านคลับเฮาห้าท่านนากุติ200ท่านรวมทั้งหมด 1,050 ท่ครันหราสิบทชานครับชาิารย์ ครับก็กราบนมัสการพระอาจารย์ครับก็วันนี้มีคำถามครับก็คืออยากถามเรื่องของสมาธิครับก็คือการที่เราสมาธิเท่าที่ทราบคือมีอภิปัฏฐนากับอ ะ, อะไรอย่างอะไรอย่างกัน สมาธินี้คือความสงบวิปัสนาคือปัญญาับต่างกันทําไม่ได้ทําทีเดียวพร้อมกันทาแยกกันทํอะไาแยกกันทําใช่ไหมครับอ๋อถ้าเราคนละวิชาคนภูมิสายกับบวชติศาสตร์ไม่ได้เรียนด้วยกันแยกเรียนกันอ๋อก็คือสมาธินี้ไปที่ความสงบอย่างเดียวที่เป็นเอกลกตาหรืออุเบกขาเนี่นอย่างเดียวอ๋อผมยังเข้าใจว่าพอจิตเรารวมแล้วถึงมาทํำการเจริญวิปัสนาปัญญาเพรลอยข้ามหนึ่งลอยช่วง ตอนที่ออกจากสมาธิก่อนอ๋ oh. ตอนที่อยู่ในสมาธิไม่ให้ทําอะไร oh. ให้ชาร์จแบตเตอรี่ oh. สมาธิเหมือนเป็นที่ชาร์จแบตไม่ให้เป็นไม่ให้ใช้มือถือในตอนที่ชาร์จแบตเพราะไฟมันจะไม่พอครับเข้าใจแล้วให้เต็มก่อน oh. ให้จิตอิ่ม oh. กับสมาธิมีความสุขจากสมาธิ พออยากสมาธิมามันจะมีกําลังที่จะไปเจริวิปัสนาต่อไปอด้ไม่รู้มืดบอดมาตลอดครับไม่รู้เหรอถ้าอ่านหนังสือมันมันไม่ได้แยกบอกให้เราอ๋อใช่ใช่ครับปฏิบัติเราถึงจะใช่ขอขอบคุณมากครับคนบางคนคิดพอนั่งสมาธิจิตสงบใก้วิปัสนาอ่าใช่แบบนั้นก็ไม่ต้องไปนั่งทำมันเสียเวลาทําไมมันก็เพิ่มวิปัสนาต่างแต่ไม่ต้องนั่งไม่ดีกว่านัอะใช่ครับใช่ครับทำใจบ้งเถิดแต่ว่า ถ้าวิปัสสนาเราไม่มีสมาธิมันไม่มีกําลังมันทำไม่ไหวเหมือนคนที่ไม่ได้กินข้าวแล้วไปทํางานอย่างเงี้ยอไม่มีแรงที่จะทํา ง, งานงให้กินข้าวให้พักผ่อนหลับนอนให้สบายก่อนพอตื่นขึ้นมาแล้วไปถึงเวลาไปทํางานเดีย๋ยวทำถ้าพักก็เหนื่อยก็พักกินข้าวก่อนเย็นก็กลับมากินข้าวอาบน้ํานอนก่อนต้องสลับการทำเข้าใจแล้วครับกราบขอบุญครับ นามสกานอาจารย์ครับเราวันพรมฝึกสติผมก็อดเดินเขีดอย่านาผมก็ควรเจอพิจารณาอันนี้ฉังด้วยลูกแค่ฝึกสติเฉยเฉยคือเบื้องต้นถ้าเรายังไม่มีสมาธินี่เราต้องฝึกสติเพื่อทําใจให้สงบก่อนยังไม่ต้องพิจารณาทางปัญญาเพราะพิจารณาบรรทางปัญญามันจะทําให้ใจไม่สงบครับผมครับเบื้องต้นนี้เราต้องหยุดความคิดก่อนอย่าใช้ความคิด ให้เป็นสมาธิก่อนเพราะจิตมีสมาธิแล้วมีกําลังแล้วค่อยไปพิจารณาทางปัญญาต่อไปนี้ใช่แล้วก็เราเป็นผมการใช้ชีวิตทั่วไปแบบการเรียนที่โรงเรียนรูปอะไรแนั้นต้องมาฝึกสมาธิไม่ควรจะพิจารณาอนิจจังใช่ไหม ย, ยังยังคนละเวลายังคนละเวลาโอเคครับเวลาฝึกสมาธิไมให้คิดอะไรพอจิตมีสมาธิแล้วค่อยมาคิดทางปัญญาต่อให้เอ ต้องรอให้ออกจากสมาธิก่อนเนี่ยเวลาอยู่ในสมาธิจิตนิ่งๆเฉยๆก็ไม่ให้ทำอะไรรอให้ออกจากสมาธิมาพอเริ่มคิด น, นะพออยากจะไปกินพิซซ่าอะไรนีก็พิจารณาปัญญาว่ากินแล้วก็ทำให้ติดาจะต้องกินแบเรื่อยๆถ้าไม่อยากจะติดก็อย่าไปกินมันกินตามเวลาอย่าไปกินตามความอยากใช้ปัญญาถ้ามีสมาธิก็ดึจความอยากได้ ถ้าไม่มีสมาธิมันหิวใจมันหิวด้วยร่างกายก็หิวด้วยมันก็ทนไม่ไหวมันก็ต้องไปกินกินพิซซ่าต่ตอเอาจารยะนะนปัญญามีไว้สำหรับคอยหยุดความอยากเวลาที่เราเราอยากจะไปเที่ยวอยากจะไปซื้อของฟุ่มเฟือยอยากจะทำอะไรที่ไม่จำเป็นนี้เราต้องใช้ปัญญาสอนใจว่าสิ่งที่เราทำมันเป็นเหมือนยาเสพติดทาแล้วก็จะติดแล้วเวลาไม่ได้ทามันจะทุกข์ ยพยายามฝืนใจอย่าไปทํามันเลิกทามันแล้วต่อไปพอเราไม่เราเลิกทำไม่มความอยากแล้วเราก็จะไม่ติด <Okay. S 1> อันนี้ต้องต้องมีสมาธิก่อนถึงจะมีกําลังสู้กับความอยากได้ครับดูทำไมมีกําลังครับโอเคโอเคครับส่งตรงไหนอ่ะหยุบหยุดไปได้เลยพูดใกล้ใกล้ปากเลยดังๆเลย ค่ะกับนมาสัจ ก, การพระอาจารย์ค่ะคื อ, อวันนี้ที่พระอาจารย์แสดงธรรมอะค่ะดดว่าต้องเราต้องระลึกถึงความตายอยู่เนืองๆอะคะ่ะพระอาจารย์แต่ว่าพอถึงความเป็นจริงแล้วเนี่ยถึงถึงไงก็ยังยอมรับได้ยากถึงแม้ตัวตัวตั ว, ตวหนูเองเนี่ยก็คือพิจารณาเรื่องความตายอยู่เนืองแต่ว่าถึงหนูหนูอยากทราบว่าอีกนานแค่ไหนหนูถึงจะยอมรับความตายนั้นได้นะคะพระอาจารย์ จะยามรับความตายได้จิตต้องมีสมาธิดูต้องฝึกสมาธิทําจิตให้นิ่งสงบแล้วพอพิจารณาความตายหรือเจอความตายมันก็จะไม่ทุกข์แต่ถ้าจิตยังไม่มีสมาธิพอไปเจอความตายหรือพิจารณาความตายนมันจะไม่สบายใจเองถ้ า, าไม่สบายใจก็สแสดงว่าเราขาดสมาธิต้องพยายามฝึกสมาธิทำใจให้เป็นอุเบกขาพอใจนิ่งสงบเป็นอุเบกขาแล้วมันจะเฉย พิจารณาความตายความเป็นก็มันก็จะเฉยทั้าสองอย่างไม่เดือดร้อน mm hmm. แต่ถ้ามันเดือดร้อนเนี่ยแสดงว่ามันยังไม่มีอุเบกขา mm hmm. ก็ต้องไปยาวฝึกสตินั่งสมาธิให้มากๆ ก, ก่อนก mm hmm. ารสมาธิขึ้นแล้วค่อยไปพิจารณาความตายต่อไปแต่เบื้องต้นก็พิจารณาความตายเพื่อให้เราไม่ประมาทได้เพื่อให้เราอย่าหลงละเลงกับความสุขทางโลกเพราะมันเป็นความสุขชั่วคราว เดี๋ยวเราแก่เราเจ็บเราก็จะหาความสุขหนังนี้ไม่ได้พิจารณาแบบนี้ได้แต่ถ้าพิจารณาเพให้ปล่อยวางไม่กลัวความตายอลยรนีมันต้องมีสมาธิทำ ไ, ได้อาจารย์นอันนี้สองสองระดับระดับแรกสอนให้เรารู้ว่าชีวิตเรามันจะต้องตายถ้าเราอย่ามาโมหาความสุขกับสิ่งต่างๆในโลกนี้เพาต่อไปเราจะไม่สามารถหาได้เวลาที่นั่งกายเป็นอะไรกัน ให้เรามาหาความสุขที่เราสามารถหาได้ตลอดเวลา ท, ท, ท, ทั้งทั้งที่ทั้งที่มีร่างกายและไม่มีร่างกายก็คือความสุขที่เกิดจากการสุกสมาธินี้พอเราฝึกสมาธิได้ต่อไปเราก็มาพิจารณาร่างกายให้เรายอมรับความตายให้ได้แล้วเราก็จะรับความตายไั้หมดแล้วและเป็นส่วนต่ำม มีคำถามฝากถามจากทางหน้าปุตินะคะโยมมีความโกรธและโยมใช้คำสอนของพระอาจารย์คือยอมหยุดเย็น คำสอนให้หยุดความอยากความโกรธความโกรธเกิดขึ้นเพราะความอยากของเราเองเราไม่ได้ดังใจก็โกรธเขาและคําสอนอีกมากที่พระอาจารย์เทศสอนและตอบปัญหาธรรมยมนำมาสอนใจตัวเองซ้ำไปซ้ำมาเพ่งโทษที่ตัวเองผิดเองที่ไปโกรธเขาโกรธแล้วใจก็เป็นทุกข์ไม่มีความสุขเลยแล้วอยู่ๆความโกรธที่อยู่ในใจก็ดับก็ดับลงหายไปเบาสบายเกิดความสุขใจอย่างมากเข้ามาแทน ได้รู้ว่าธรรมะดับความทุกข์สร้างความสุขได้อย่างจริงๆค่ะพยมขอกราบขอพระคุณพระอาจารย์อย่างสูงที่ให้คำสอนเพื่อดับความทุกข์ในใจคำถามของโยมวันนี้ก็คือการที่เราจะบรรลุธรรมและไม่กลับมาเกิดอีกเราต้องละโลภโกรธหลงให้ได้หนึ่งรอยเปรเซ็นถูกต้องไหมคะใช่ต้องความอยากทุกชนิดความอยากหาความสุขจากลาบยศเสเสริญความอยากใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือ ความอยากหาความสุขจากเวทนาความสุขของเวทนาแล้วก็ความอยากหาความสุขจากอารมณ์ในใจเราเพราะล่นนี้มันเป็นของไม่เที่ยวที่มันต้องทําให้เราทุกข์เวลาที่มันไม่ได้ตางดังใจอยากถ้าเราเฉยเฉยเสียมันจะสุขก็ได้จะทุกข์ก็ได้เราก็จะไม่ทุกข์กับสิง่งเหล่านี้แล้วเราก็จะค้นทุกข์ได้คําถามฝากถามค่ะ ภาษากิธาคามีท่านตัดความรักความใคร่แบบคู่รักได้ท่านถึงไม่ไปครองเรือนหรือถ้าได้ภูมิขั้นนี้หลังจากมีคู่คลองเรือนจิตใจท่านก็จะจืดจางในเรื่องของความรักความใคร่การมาราค้าท่านเบาบางลงจึงเป็นเหตุที่ว่าท่านเกิดอีกแค่ชาติเดียวเป็นความเข้าใจถูกต้องไหมคะใช่ก็เหตุที่พาเรามาเกิดอยู่เรื่อยๆ เ, เ, เพราะความอยากเสดกามนี่อย่างเสดลูกเสียงกิตนัด ถาราลดความอยากลงได้เนี่ยให้น้อยลงไปการจะกลับมาเกิดมันก็จะน้อยลงไปคําถามจากทางหน้ากุดค่ะพระภูมิเจ้าที่ไม่ว่าจะเป็นที่ร้านค้าบ้านพักอาศัยหรือสถานที่ต่างๆท่านคือใครค้าและมีจริงไหมแล้วการที่เราถวายผลไม้น้ําพวงมาลัยทุกวันพระหรือวันโกนท่านได้รับไหมค้าหรือท่านต้องการบุญแค่ไหนคะไม่มีหรอกเราคิดกันเองย ท่านก็อยู่ตามพบของของท่านต่ท่านจะไม่มานั่งมาเฝ้าบ้านให้เราให้เสียเวลาเช่นเราตายไปเราอยากจะไปเป็นเทวดาเฝ้าบ้าคน อ, อื่นไหมไม่เป็นหรอกเห็นไหมเราก็ไปเสีความสุขที่เราได้จากการทําบุญ ร, รักษาสิของเราไปนีเ่เป็นเพียงแต่ความเชื่อท่านเองทวางจริงไม่มีหรอก คำถามจากทางน้าบุติค่ะครอบครัวประกอบอาชีพค้าขายหมูสดไก่สดโดยสั่งสินค้าจากบริษัทที่มีชื่อเสียงบริษัทหนึ่งของประเทศอยากทราบว่าการทำอาชีพนี้ผิดศีลข้อหนึ่งไหมครับจะเป็นการสั่งค่าชีวิตสัตว์เหล่านั้นไหมครับกราบขอบพระคุณครับถ้าไปสั่งไว้ล่วงหน้าก็ผิดถ้าไปซื้อแลซื้อในของที่ตายแล้วก็ไม่ผิด อย่าไปสั่งว่าพรุ่งนี้ยาาไก่สามตัวเป็ดสี่ตัวเงี้ยถ้าก็ไปสั่งให้เขาข้ามาให้เราแต่ถ้าไปที่ร้านวันนี้วันนี้มีของอะไรบ้างมีเป็ดกี่ตัวมีไก่กี่ตัวตายแล้วซื้อมาอย่างนี้ไม่ผิด คำถามจากทั้งนกุตินะคะเป็นเพื่อนคนไทยที่อยู่ออสเตรเลียค่ะฝากคำถามมาข้อแรกนะคะนั่งสมาธิเกิดจิตแยกจากกายเห็นนิมิต จ, จากอดีตชาติมีแสงสว่างจ้าผ่านรูนอนมีความร้อนแผ่ไปทั่วร่างผ่านช่องท้องไประหว่างคิ้ว เห็นภาพการระเบิดเหมือนปรมานูหรือ Big Bang เกิดกระแสะไฟฟ้าช็อตไปทั่วร่างอยากทราบว่าสิ่งเหล่านี้เป็นปรากฏการณ์อะไรคะเรียกว่าเพี้ยนหรือไม่คะมันก็เป็นปรากฏการณ์ทางจิตที่เกิดขึ้นได้ในขณะที่เราภาวนาวิธีที่จะปฏิบัติก็พิจารณาให้เป็นไตรลักษ์ไปพิจารณาว่ามันของไม่เที่ยงเกิดแล้วเดี๋ยวมันก็ต้องดับมันเป็นอนัตตาเราไปควบคุมมังครับ มันไม่ได้เพราะสำคัญเราอย่าไปหลงไปยึดไปติดมันให้รู้ทันแล้วก็ปล่อยวางสืบเนื่องจากข้อหนึ่งนะคะตอนนี้สามารถมองเห็นสิ่งที่ตาเนื้อมองไม่เห็นและทำให้สนใจอ่านและฟังธรรมมากขึ้นแต่บางคนบอกว่านี่ไม่ใช่วิถีพุทธ เป็นแนวอัตมันหรือฮินดูเรียนสอบถามว่านี่เป็นแนวทางปฏิบัติที่ถูกต้องตามพุทธศาสนาหรือไม่อย่างไรคะถ้ามันให้เรามีความสนใจในการศึกษาธรรมะคําสอนของพระพุทธเจ้าก็ถือว่าใช้ได้เราได้เห็นประสบการณ์ที่มันไม่ที่เราเห็นไม่ได้ด้วยตาตาของร่างกายเราเริ่มเข้าใจแล้วว่านอกเหนือจากสิ่งที่เราเห็นด้วยตาเนื้อคือตาของร่างกายแล้วยังมีสิ่งอีกมากมายที่เรามองไม่เห็น ที่ต้องเห็นด้วยตาตาในคือตาใจอย่างนี้ก็ไม่ถือว่าผิดเพี้ยนตรงไหนเป็นการเป็นการเปิดกว้างให้เราเห็นโลกธรรมกว้างขึ้นว่าโลกนี้ไม่ใช่มีแต่โลกร่างกายเพียงอย่างเดียวในโลกของจิตด้วยที่เราควรจะสนใจศึกษาให้มากขึ้น ข้อสามค่ะหากต้องการหายจากอาการต่างๆเหล่านั้นควรทำอย่างไรคะทุกวันนี้ในวันพระจะรู้สึกว่าถูกคลื่นกระแทกและมีอาการเสียงเสียวบริเวณหว่างคิ้วซึ่งกระทบต่อการใช้ชีวิตขอความเมตตาคำตอบจากพระอาจารย์ด้วยค่ะเดี๋ยวลองอ่านเลยคะช้าๆได้ค่ะ หากต้องการหายจากอาการต่างๆเหล่านั้นควรทําอย่างไรคะทุกวันนี้ในวันพระจะรู้สึกว่าถูกคลื่นกระแทกและมีอาการเสียวบริเวณระหว่างคิ้วซึ่งกระทบต่อการใช้ชีวิตเจ้าค่ะก็เวลานั่งสมาธิต้องมีสติคอยกํากับใจอย่นั่งเฉยๆต้องใช้คําบาลกรรมพุทโธพุทโธไปหรือใช้การดูลมหายใจเข้าออกไปแล้วอาการต่างๆก็จะไม่เกิด อาการต่างๆเกิดเพราะใจเราไม่มีสติคอยควบคุมจิต ก, ก็เลยผลิตอาการต่างๆเหล่านี้ขึ้นมาเท่านั้นเองยังให้ฝึกสติให้มากๆและเวลานั่งอย่าทิ้งสติถ้าใช้พุโทโธก็ต้องพุโทโธไปเรื่อยๆถึงแม้จะมีอะไรเกิดขึ้นมาก็ให้อยู่กับพุโทโธไปแล้วอาการต่างๆมันจะสงบตัวลงไปเองหรือถ้าดูลมก็ให้ดูลมไปอย่างเดียวไม่ต้องไปสนใจกับอะไรที่เกิดขึ้นมา คำถามจากทางนักบุติค่ะโยมได้ปฏิบัติตั้งสัจจะอธิษฐานขอปฏิบัติทานศีลภาวนาให้ได้ในทุกๆวันเมื่อเร็วๆนี้โยมได้ทราบจากกาลยาณมิตรว่ามีการสอนปฏิบัติเรียนมโนมยิทธิการเรียนนี้คือการภาวนาแบบใดเจ้าคะและในการภาวนาที่โยมตั้งใจปฏิบตัติจะต้องเรียนสิ่งนี้หรือไม่เจ้าคะไม่ต้องหรอกมันก็เป็นแนงหนึ่งของวิธีของวิชา ศีลสมาธิปัญญาเนี่ยแต่เราก็ไม่ได้ศึกษาทางนี้เราก็อธิบายให้ไม่ได้แต่ก็ไม่จําเป็นจะต้องเรียนมโนยิตทีก็ได้เรียนพุโทโธแทนก็ได้พุโทโธเป็นการจเจริญสติแล้วก็เรีนเรยนใจ ล, ลักษณอริยสัจสี่เพื่อการเรียนทางปัญญาอันนี้เป็นทางที่ทุกคนต้องเรียนไม่ว่าจะไปในแขนงไหนแนวทางไหนก็ต้องเรียนอริยสัจสี่เรียนใจ ล, ลักษณ เขาเรียนสติคือพุโทโธมีกายสติคือการเข้าดูการเคลื่อนไหวของร่างกายหรือถ้านั่งก็ดูลมหายใจเข้าออกเรียกว่าอาาปาณะสติคำถามจากทั้งน้กพุติค่ะกับเรียนถามพระอาจารย์เนื่องจากคุณพ่อป่วยติดเตียงและต้องใส่สายยางเพื่อให้อาหารเหลวแต่พ่อได้ดึงสายยางออกบ่อยครั้งจึงต้องนำถุงมือมาใส่ หรือบางครั้งต้องผูกแขนกับเตียงเพื่อป้องกันการดึงสายบางครั้งพ่อยินมยอมบางครั้งท่านก็พูดว่าทำไมต้องมาทรมา น, เห ม, นเหมือนมัดมือเขาและสาบแช่งในบางครั้งลูกและมารดาทุกใจว่าเราควรปฏิบัติกับท่านอย่างไรที่จะไม่เป็นบาปแก่ตัวเราเจ้าคะต้องตามใจคนเจ็บคนเจ็บก็จะกินไม่กินมันเป็นสิทธิของเขาเราไม่ควรไปบังคับเขาเรามีหน้าที่คอยรับใช้เขา เขาต้องการอะไรแล้วก็จัดหามาให้เขาถ้าเขาไม่ต้องการก็อย่าไปยาดเยืยดให้กับเขาอันนี้เป็นการไปเบียดเบียนไปสร้างความทุกข์ให้กับเขาเพราะฉะนั้นปล่อยให้ท่านเป็นอิสระอย่าอยากทาให้ท่านเป็นเหมือนนักโทษต้องทําให้ท่านเป็นเหมือนเจ้านายเราท่านต้องการอะไรก็ทําตามที่ท่านต้องการนอกจากว่าสิ่งที่ท่านต้องการมันผิดศีลผิดธรรมก็อย่า ท, ทําท่งนั้นเอง แต่ถ้าสิ่งไงที่ไม่ผิดศีลผิดธรรมมันเป็นความสบายใจของท่านก็ปล่อยให้ท่านทำไปคำถามจากคุณใบ ย, ยกค่ะการที่ลูกปฏิบัติสมาธิแต่ลูกไม่ได้มานั่งถามตัวเองว่าเราถึงขั้นไหนแล้วนะแต่ลูกเน้นที่ว่าจิตใจสงบไม่วุ่นวายจะงับตรงนี้ได้มากน้อยแค่ไหนแบบนี้ลูกวางใจถูกต้องหรือไม่คะถูกต้องแล้วเหมือนกับเวลาเราประทานอาหารเราคอยถามหรือเปล่าว่าตอนนี้เราอิ่มขั้นไหนแล้ว อิ่มขั้นที่หนึ่งหรืออิ่มขั้นที่สองหอิ่มขั้นที่สามเราก็กินไปเรื่อยๆจังการมันจะอิ่นะอมนั่งสมาธิเราก็ไม่ต้องสนใจว่าอยู่ท่านไหนแนละ้วนั่งไปเรื่อยๆจังการจิตมันนิ่งสงบมันทังเต็ ม, มที่แล้วมันก็หยุดของมันเองไปคำถามจากทาง Facebook นะคะสถานการณ์ใดส ถ, สถานการณ์หนึ่งเป็นการระบายความในใจ ถึงความไม่เท่าเทียมกันให้กับเพื่อนสนิทฟังเป็นลักษณะเล่าสู่กันฟังแนวปรับทุกข์แต่ไม่ได้มีการเอ่ยนามคนที่เราก่าวเหตุเหตุการถึ ง, ถงอย่างนี้ถือเป็นการยินทาหรือไม่คะถ้าเราไม่ได้เจาะจงบุคลบคลใดบุคคลหนึ่งพูดตามหลักทำความจริงว่าโลกนี้มันมีความไม่เที่ยงแท้แ น, น่นอนความไม่เสมอภาคกันบางคนก็ได้รับการดูแลที่ดี บางคนก็ได้รับการดูแลที่ไม่ดีอันนี้ก็เป็นการวิาพากษ์วิจารณ์ทางความเป็นจริงก็ไม่ถือว่าเป็นการากล่าวคำว่าจะที่ไม่ดีต่อผู้จากทางเฟซบุ๊กค่ะถ้าจิตใจเราสงบมากขึ้นแสดงว่าเรามีสติเข้มแข็งมากขึ้นจิตมีสมาธิมากขึ้นใช่ไหมครับถูกต้องสตินี่เป็นเหตุที่ทำให้ใจเรามีความสุขมีสมามีความสงบมากขึ้น จากทาง u t u b e ค่ะเคยฟังองค์หลวงตาเทศแบบแกงหม้อใหญ่หรือแกงหม้อเล็กกับเรียนถามพระอาจารย์เมตตาอธิบายครับแกงหม้อใหญ่ก็คือพูดธรรมแบบทั่วๆไปพูดธรรมที่เหมาะกับคนส่วนใหญ่ก็จะพูดเรื่องเรื่องเรื่องทานเรื่องศีลเรื่องการไปสวรรค์ไปอะไรต่างๆแบบนีน้แต่ถ้าแกงหม้อเล็กท่านก็จะพูดเรื่องภาวนา เรองกิจะภาวนาเรื่องการเจริญสตินั่งสมาธิและปัญญาจากคุณขวัญค่ะกลับเรียนถามว่าทำอย่างไรถึงจะเกิดปัญญาคะกราบขอความรู้ค่ะปัญญามีสามระดับด้วยกันระดับแรกก็คือการได้การศึกษาเรียนรู้จากผู้ที่มีปัญญาเช่นฟังเทศฟังธรรมจากครูบาอาจารย์หรืออ่านหนังสือธรรมะของพระพุทธเจ้าอันนี้ก็เป็นการสร้างปัญญาระดับแรก ระดับจากการศึกษาจากการได้ยินได้ฟังหลังจากที่เราได้ศึกษาได้ยินได้ฟังทำแล้วเราก็เอามาพิจารณาอยู่เนืองๆเพื่อไม่ให้ลืมเพราะว่าสิ่งที่เราเรียนรู้ในวันนี้ถ้าเราไม่เอามาคิดบ่อยๆเดี๋ยวเราก็จะลืมได้นถ้าเราอยากจะรักษาความรู้ที่เราได้จากการเรียนรู้มาเราก็เอามาคิดอยู่เรื่อยๆเช่นพุทธเจ้าสอนให้เราคิดว่าเกิดมาแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายต้องพัดพากจากกัน เนี่ยเราก็ต้องมาพิจารณาอยู่เื่อย เ, เพื่อไม่ให้ลืมเราต่อไปปัญญาขั้นที่สามก็คือมาเอาความรู้นี้มาใช้กับการปฏิบัติดับความทุกข์ใจเวลาเราทุกข์กับความแก่ความเจ็บความตายเราก็ต้องใช้ปัญญานี้มาสอนใจให้ยอมรับให้ได้ว่าทุกคนเกิดแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายถ้าใจยังไม่ยอมรับสแสดงว่ายังมีกิเลส ต้องใช้สมาธิมาหยุดกิเลสฝึกสตินั่งสมาธิให้ใจบรรณุเบขาพอใจบรรณุเบขาแล้วทีนี้มาพิจารณาความแก่ความเจ็บความตายใจก็จะเฉยได้ยอมรับความจริงได้ไม่ทุกข์กับความแก่ความเจ็บความตายได้อันนี้เป็นปัญญาขั้นที่สามเป็นปัญญาที่ขั้นขั้นที่สําคัญที่สุดก็คือขั้นที่สามคือดับความทุกข์ใจได้ขั้นที่หนึ่งขั้นที่สองนี่ยังดับความทุกข์ใจไม่ได้ คำถามจากทาง youtube นะคะการฆ่าสัตว์ตัวเล็กเช่นมดมแมลงปลวกจะได้รับผลบาปเท่ากับการฆ่าสัตว์ใหญ่ช้างม้าวัวควายหรือไม่คะไม่หรอกสัตว์ที่ถูกฆ่านี้มันมีคุณมีประโยชน์ต่างกันสัตว์ที่มีคุณประโยชน์มากก็จะมีโทษมากเช่นฆ่าคนที่เราไม่รู้จักนี้มันก็มีโทษน้อยกว่าฆ่าคนที่เราให้ให้มีมีคุณคุณประโยชน์กับเราเช่นฆ่าพ่อฆ่าแม่ เป็นคนเหมือนกันแต่มีความมีคุณมีประโยชน์กับเราต่างกันคนที่มีคุณประโยชน์กับเรามากไปฆ่าท่านก็ทําให้เราบาปมากรับโทษมากคนที่มีคุณประโยชน์น้อย<ม>ก็ได้รับโทษน้นอยแต่ก็ยังมีโทษอยู่ยังเป็นบาปอยู่ตอนนี้ไม่มีแล้คะ่ะอาจารย์โอเคไม่มีก็พอสมควรแต่เวลา ก็ขอให้ท uhm ่านจงนำเอาสิ่งที um> ่ท่านได้ยินได้ฟังไปพินิจธ ну ิจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปเธอด